พระไตรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบทุกการนิบาต ท, ทุติยปัญ น, นาดหมวดห้าสิบสูตรที่สองสำหรับหมวดนี้แบ่งออกเป็นห้าวรักละสิบสูตรเช่นเดียวกันวรักที่หนึ่งว่าด้วยบุคคลวรักที่สองว่าด้วยความสุขวรักที่สามว่าด้วยสิ่งที่มีเครื่องหมายวรักที่สี่ว่าด้วยธรรมะและวรักที่ห้า ว่าด้วยคนพาลทรงสแสดงบุคคลสองประเภทในลักษณะต่างๆเช่นพระตถาคตรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระเจ้าจักรพัฒเป็นผู้เกิดเพื่อประโยชน์และความสุขแก่โลกเป็นอัจฉริยมนุษย์สิ้นชีวิตก็ทำให้คนส่วนมากเดือดร้อนถึงเป็นผู้ควรแก่สถูกคือก่อเจดีย์ไว้ใส่อธิธาต หรือกระดูกเมื่อสิ้นชีวิตแล้วเป็นต้นทรงสแสดงความสุขสองอย่างหลายประเภทเช่นความสุขของข้ารือหัสกับความสุขในการบรรพชาความสุขในการกับความสุขในการออกจากกามความสุขที่มีกิเลสกับความสุขที่ไม่มีกิเลสความสุขที่มีอาสวะหรือกิเลสที่ดองอยู่ในสันดาน กับความสุขที่ไม่มีอาสวะความสุขที่ม er ีอามิตรกับความสุขที่ไม่มีอามิตรความสุขที่ประเสริฐหรืออริยะกับความสุขที่ไม่ประเสริฐความสุขทางกายกับความสุขทางใจความสุขที่มีปีติคือความอิ่มใจกับความสุขที่ไม่มีปีติ ความสุขที่มีความสำราญกับความสุขที่มีความวางเฉยความสุขที่เนื่องด้วยสมาธิกับความสุขที่ไม่เนื่องด้วยสมาธิเป็นต้นทรงแสดงว่าอากุศลละบาปธรรมยอมเกิดขึ้นเพราะมีนิมิตหรือเครื่องหมายในจิตใจไม่ใช่เกิดขึ้นโดยไม่มีนิมิตเพราะละนิมิตได้อกุศลและบาปธรรม ก็จะไม่มีแล้วทรงแสดงหลักการโดยทำนองเดียวกันว่าอากุศลลบาปธรรมย่อมเกิดขึ้นเพราะมีต้นเหตุหรือนิทานมีเหตุมีเครื่องปรุงมีปัจจัยมีรูปมีเวทนามีสัญญาคือความจำได้หมายรู้มีวิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์มีอารมณ์ที่ปัจจัยปรุงแต่ง ทรงแสดงธรรมะที่เป็นคู่กันสองอย่างหลายประเภทคือเจโตวิมุตตความหลุดพ้นเพราะสมาธิกับปัญญาวิมุตตความหลุดพ้นเพราะปัญญาความเพียรกับความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งนามกับรูปวิชาคือความรู้กับวิมุตตคือความหลุดพ้นภาวะทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงกับวิภาวะทิฏฐิ ความเห็นว่าขาดศูนย์ความไม่มีหิริความละอายต่อบาปกับความไม่มีโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปความเป็นผู้ว่ายากกับการคบคนชั่วเป็นมิตรความเป็นผู้ว่าง่ายกับการคบคนดีเป็นมิตรความเป็นผู้ฉลาดในาธาตุกับความเป็นผู้ฉลาดในมกสิการหรือความใส่ใจหรือธรรมในใจ ความเป็นผู้ฉลาดในอาบัติกับความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัติทรงแสดงคนพาลกับบัณฑิตสองประเภทหลายอย่างโดยแบ่งไปตามลักษณะคือผู้เอาภาระที่ยังไม่มาถึงกับไม่เอาภาระที่มาถึงเป็นพาลที่ตรงกันข้ามเป็นบัณฑิตผู้สําคัญว่าควรในของที่ไม่ควร กับสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควรเป็นพานที่ตรงกันข้ามเป็นบัณฑิตผู้สำคัญผิดในเรื่องต่างต่างเช่นอาบัตธรรมะวินัยว่าไม่เป็นอาบัตไม่เป็นธรรมะไม่เป็นวินัยเป็นคนพานที่ตรงกันข้ามเป็นบัณฑิตแล้วส่งแสดงว่าอาสวะกิเลสที่ดองอยู่ในสันดานย่อมเจริญ และไม่เจริญแก่บุคคลสองประเภทที่สำคัญผิดต่างๆกับที่ไม่สำคัญผิดต่างๆในเรื่องที่ควรรังเกียจเรื่องอาบัติธรรมะและวินัยตติยะปัญ น, นาตหมวดห้าสิบสูตรที่สามมีห้าสิบสูตรและห้าวร์ครเช่นเดียวกันวร์ที่หนึ่ง ว่าด้วยความหวังวรกที่สองว่าด้วยการขอร้องวรคที่สามว่าด้วยทานการให้วรคที่สี่ว่าด้วยการต้อนรับวรกที่ห้าว่าด้วยสมาบัติทรงแสดงความหวังที่ละได้ยากคือความหวังในลาบกับความหวังในชีวิตบุคคลที่หาได้ยาก คือบุพการีหมายถึงผู้ทำคุณก่อนกระตันยูกะตะเวทีคือผู้รู้คุณและตอบแทนบุคคลที่หาได้ยากคือผู้อิ่มกับผู้ทำให้คนอื่นอิ่มบุคคลที่ทำให้อิ่มได้ยากคือผู้เก็บไว้ไม่ใช้เองไม่ให้ใครกับผู้สละสิ่งที่ได้มาแล้ว ส่วนบุคคลที่ทำให้อิ่มได้ง่ายคือที่ตรงกันข้ามปัใจจัยให้เกิดราคะหรือความกำหนัดยินดีคือความกำหนดเครื่องหมายสิ่งที่งามหรือสุภานิมิตกับการไม่ใส่ใจโดยแยบคายปัใจจัยให้เกิดโทสะ ค, คือความกำหนดเครื่องหมายสิ่งที่ขัดใจหรือปฏิฆานิมิตกับการไม่ใส่ใจโดยแยบคาย ปัใจจัยให้เกิดความเห็นผิดคือเสียงโฆษณาจากคนอื่นกับการไม่ใส่ใจโดยแยบคายอาบัตสองอย่างสามประเภทคืออาบัตเบากับอาบัตหนักอาบัตชั่วยาบกับอาบัตไม่ชั่วยาบอาบัตมีส่วนเหลือคือต้องเข้าแล้วยังไม่ขาดจากความเป็นภิกษุกับอาบัตไม่มีส่วนเหลือคือต้องเข้าแล้ว ขาดจากความเป็นภิกษุทรงแสดงว่าภิกษุผู้มีศรัทธาขอร้องโดยชอบพึงขอร้องให้ตนเองเป็นเช่นพระสาริบุตรกับพระโมคคัลลานะเพราะทั้งสองท่านนั้นเป็นเครื่องช่างเป็นเครื่องประมาณคือเป็นมาตรฐานแห่งภิกษุทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระองค์ส่วนภิกษุณีผู้มีศรัทธา พึงขอร้องให้เป็นเช่นนางเขมากับนางอุปลว น, นาอุบาสกผู้มีศรัทธาพึงขอร้องให้เป็นเช่นจิตตะเข้าฤหบปีกับหัตถกะอาลาวะกะอุบาสิกาผู้มีศรัทธาพึงขอร้องให้เป็นเช่นขุดชุตระอุบาสิกากับนางเวลุกันตะอียาผู้เป็นมารดาของนันธ า, านพ ในเนื้อความที่อื่นจะเห็นว่าในที่นั้นชื่ออุตราผู้เป็นมารดาของนันทมานพถ้าเป็นคนเดียวกันก็น่าจะมีชื่อนำหน้าหลายอย่างอธถกรฐาแก้ว่านางกุจจุตราเป็นผู้เลิศทางปัญญานันทมาตาหรือมารดาของนันทมานพเป็นผู้เลิศในทางมีริษพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า คนพาลกับบัณฑิตต่างประกอบด้วยธรรมะสองอย่างในทางที่ตรงกันข้ามเช่นคนพาลไม่พิจารณาสอบสวนชมผู้ไม่ควรชมติผู้ไม่ควรติส่วนบัณฑิตตรงกันข้ามเป็นต้นทรงแสดงถึงการให้การบูชาการสละเป็นต้นว่ามีสองอย่างคือการให้อามิตรหรือสิ่งของ กับการให้ธรรมะทรงแสดงถึงการต้อนรับการสแสวงหาเป็นต้นว่ามีสองอย่างคือการต้อนรับด้วยอามิ t h หรือสิ่งของกับการต้อนรับด้วยธรรมะทรงแสดงถึงความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติคือเข้าฌานกับความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติ และธรรมะายดีป่ายชั่วเป็นคู่กู้กันไปพระสูตรไม่นักเข้าในหมวดห้าสิบหมายความว่าหมวดนี้ประมวลพระสูตรที่เป็นเศษของห้าิบอันเหลือมาจากที่ประมวลไว้ในหมวดห้าสิบรวมสาหมวดที่แล้วมาหรือเท่ากับเป็นหมวดรวบรวมพระสูตร ที่เป็นเศษของห5 0สูตรใจความในหมวดนี้คงกล่าวถึงธรรมะที่มีจำนวนสองข้อฝ่ายชั่วฝ่ายดีคู่กันเช่นความโกรธกับความผูกโกรธความลบหลู่บุญคุณท่านกับการตีเสมอความริษยากับความตรณีมายากับความโอ้อวดความไม่ละอายกับความไม่เกรงกลัวในฝ่ายดี พึงทราบโดยในตรงกันข้าม